สัตว์ทางหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารพวกเราเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดท้งนี้ท้งนั้นเพื่อความเป็นธรรมในชุมชนในกลุ่มของพวกเรานะแต่ก็ก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับคนมาทำร้ายทำลายสัตว์ในวัดสมัยอยู่บ้านตาดมีไหมหลวงพอนะ่อหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่ออยู่บ้านตากก็เคยมี เรื่องอย่างนี้นะเอ้แต่หลวงตาท่านจัดการอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้น่ะนี่ยสมัยหลวงพ่ออยู่บ้านตาดเขาจะลื้อลวดน้าแล้วจะสร้างกําแพงกําแพงบ้านตาดเดี๋ยวนี้นะอ่ะเขาลงตาท่านก็นกนว่าให้ลื้อลวดน้ําำเขาก็ใส่แท็กเตอร์รนะถนั่นไงถ่ารื้อลวดน้าแล้วก็ไถป่าออกเพื่อจะสร้างกําแพง รับสถานที่พูดง่ายๆมันก็ยาวนะเพราะเนื้อที่ทั้งหมด60 1ิบร้อยหกกว่าไร่วัดบ้านตาดนะ่ที่กำแพงล้อมรอบนะแต่นี้ก็กระรอกกระแตลูกตาก็เลี้ยงไว้เยอะทีนี้เอ่อทั้งกระรอกทั้งกระแตทั้งอะไรต่อม้อะไรต่างกระตงกระไตในวัดเนี่ยลงตามรักสัตว์นะท่านกนเลี้ยงกระแตกระรอกเโอ้โหเป็นฟุ้งๆนะ เวลาเราเอาข้าวไปให้กิ น, นมาเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบตัวน่น่ะแต่นี่พอรื้อรัวเท่านั่นแหละไอ้คนที่บ้านตานอายุประมาณสักสี่ห้าหกสิบเลยล้วผมขาวตเขาเรียกว่ า, ว า, วาตาหัวอกนะมันเขามายิงเอาสัตว์อ่ายิงเอากระรอกกระแตในในที่เขาไปเลี้ยงไว้นะ่ะอ่ามันก็เอา อะไรไปแล้วก็เป็นดักอยู่ในนั้นน่ะเอาปืนแก๊ปได้เสียงดังค่อยๆเนี่ยเอาปืนแก๊ปนั่ไปยิงนะอพระกับไปฉันยังขันอยู่ที่นี่แหลอมันกัดลอยแผลเข้ามาทางหลังวัดพน่ะเอมันก็มากเเข้าไปแล้วก็นั่งยังียกิดยิงแป็กยิงแป๊กมันก็ยิงใกลๆมันก็ตกมงินตัวใช้ทงแล้วก็ใช้ทงก็ค่อยหมุดๆไปไปหอดมงอ หัวเลยเกิดเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเช็ดเล้วกิดกระโดดขามหัวย้อยกระโดดขามเกรดแกล้งกันไปเทนี่เอ๊ะมันเป็นอย่างมันมีคนเขามาวัดน้าสิบบานนี้เขาก็ดักแล้วบานนี้อ่เขาก็ดักโอ้แมนอิริตัวเนื้อสันอิตาหนีมาสันต์ตาหัวงอกเลยตัวสันบานนี้เด็กน้อยเขาก็นั่นแหละมันมาดเล็กน้อยมันมายิงตรงนั่นแหละตรงขางกุดลงพอยู่นั่น หลวงพ่อเลี้ยงเขาห อ, อกระแตได้อยู่อยู่พุนนะ่ะหลวงตาให้เลี้ยงมันลไปบ้านนี่เขาก็ไปดักที่สองขางบานเนี่ยเปิน้นกระลอยแล้วก็ามากระโดดขามเขามานเลยแล่นได้วัดทั้งไปแล่นเขามาในวัดเออเพรมันลบทานมันลงลง่งเลยพอลบเขามากพวกพุนเขาก็เคาะใหม่แล้วปอกปอกปอกเพิ้นกระบู่เจ้าเขาเคาะใหม่ให้สัญ ญ, ญาณรัดเพิ่นได้แต่ว่าพวกนี้กับพวกนี้กับ โยหันแล้วบอลนีอยู่ในซุมที่มันไปซุ่มบอลนะสองคนไปนั่งอยู่ในซุ่มบอลแล้วทังนไปเออบอลอะไพวกนึงก็ไปนั่งอยคางท่างอีกมองมันจะออกไปบอลนั้นไปบาท่านแรกกัพวกนึงกับผู้สีจับก็ูะพูดแห่ะอยู่มองหัวคนละวัน่ะพอได้เขาเคาะปอกๆเท่านั้นแหละเขาก็ประกาศนคนเ่ะเอ้คนขวารทศนิษฐ์ขวานนะเพื่อนขอคนขวารมันแกล้งมาแล้วน่ไปแล้งมารบ มองซุ่มมองเพินอยู่พ่อม่หอดนี่พุทสองคนไปอยู่นี่พุเขาดักอยู่นี่แล้วไปมันมาย่างเท่านี้แลนออกคกนออไปแลนออกทางเกา่าแลนออกทางเกา่าไปหอดมองทางที่เขาพวกนั้นดักที่พุทแล้วเขาจิจับยศเท่านี้วะท่นมันเฮ็ดจังเอ่าเนยมันมายิ่งสัดในวัดติเนี่่าน้าหลายหมือเล น, นี่้อท่านเนี่ย บ่าวโอยคอยหาก็ม่านี่แล้วตอพนวาเด้เออบ่าทานแล้วเขาก็เลยจับแล้วก็ไปบอกบอกให้หลวงตาฟังหลวงตามันจังไรเะ็สดันมันโยดีมันน้มหน้าเอ็สดันมันคนบ้านตาดคาคักวันนี้มันมาเฮ็ดซัวในวัดในว่าที่มันบักนี่นะว่าตายจะไปหากุศล่ให้มันนะวันนี้พนวะเออค้ามันตายก็จะไปกุศล่ยให้มันค้นสัวปนิววันนี้เนี่ยมันสัวคักปนิววันนี้ บาดทแล้วต่อมาพาน่นยต่อมาตะแกไปหายโกบผาเกียดนึ่งไปไปจกขอนหู้งูเห่าอะไรกัดกัดมือตะแกวันหะ่พอไปกัดหลบาดหนึ่งเขาอามาบาดมางู ก, กัดกันไปหอดรงพยาบาลสูตรูุดอนปัดปมมีาใยญ่เซื่ลมออกจากเซล่ลมบัดไปน้องข่ายอกีกกระปมียาเซล่ลมอีกที่จะสีดระงับ พ่อกลับมาหอดบ้านเป็นบ้าเลยบวันโนไปมันขึ้นสมองเลยบานเนี่ยพ่อขื่นสมองเป็นบ้าเห็นคนมากเลโอ้จนเอาเสือกมัดแอวไหวในต้นเสาเลยวันโนไปคือกันครับตะแกไปใส่เหว่ยก็หอกกระแตนอนวัไปเอไก็หอกกระแตเน่ยอยากข้อเลยเหอแเหวก็หอกนียอยากข้ออยากแอววนโนไปตะแกไปเฮ็ดจุ่นเห้ยไว้ไรจะข้นเขาได้มัดแอวใช้ต้นเสาไหววันโนไป เ อ, อปวดในสุกเกตแกก็เลยตายตายเข้านั่นละ่ะพราตายบาเนี้เขามามาในม่อนพระบาเนี่ยมาในม่อนพระพระกระบอกกาไปแล้วพระหลวงตาก็ลงกรุงเทพบปเนี้ยโว้ยพวกคูบาไปบ่ได้แล้วเพราะว่าหลวงตาบอกว่ามันตายบ่มีพระกุศลาวท่านห่อยไปแล้วไปฮาม่อนวัดอื่นไปว่านเนี่ยบ่ายห้าแล้วแต่เขาโม่นพระไปเขาเลยไปม่อนวัดอื่นหมาแล้ว วัดอื่นเนี่ยคอยได้มากกุสลาให้ว่าหาหลวงตากับมาหลวเลยบอยหลวงตาฟังกวานหลวงตาโอ้ยเข้าก็บวาปนานันหรอก็จะไหนเข้าก็วาจะาาไหนยามห้องเข้าหายจะไหแต่มืก็ดีแค่กันน่ะเป็นตัวอย่างขนว่วยเดบาตนเนี่ยขั้นภัยเฮ็ดส่วงสันยับไปหา ก, กุสลาให้มั่นพนหลวงตาวาเอาไปพอเนั่นฟังฟังไว้น่หวกเฮ้าน่ยวัดว่าศาสนาเป็นสถานที่เคารพสักกา เป็นทีเชิดชูบูชามาจะมะหาข่าสัต์ตัดชีวิตมาทำความสัวในวัดได้ยังไดนี่ยแหละหลวงพ่อเคยพานมาแหลเด้หลวงตาเพินวาจังสันเด้พอนั้นขอให้พวกเขานะ่ะทุกคนนะให้รับผู้รับทราบร่วมกันเรื่องสั์ในวัดมันมาพึงพาอาศัยฟัดของเห้าเออมันขออบอุ่นมาเลยจะมะหาขามา ตกเบ็ดมาอย่างในวัดมันโบแมนแนวเดยเ์มองมองนี่เป็นหมองไห่อภัยท่านเนี่ยมองไห้อภัยต่อทรัพย์สัทธ์ทางหลายโบแมนสี่บ่งสี่จิตมาคาสัตชีวิตนะนี่หลวงพอยังบอกนะเลอนกล่างนกกระล่างนกถั๋วหัวงอกนะมันเม่าหอดเนี่ยม่าหอดข่างสลาหลวงพ่อเนี่ยบางทีมันมากทีละ หาฮกเยต8ตัว10ตัวเนี่ยพราะมอฮอตนี่มันห้องทั่านขย่าวปีกพ่องอ้าปากทุกตัวลงไปเออท่านขย่าวปีกพ่อมาไปหลวงพ่อว่าโอ้มันมาฮอดจะล่ามันก็เลยโอ้ผู้ขาพวกปงขาทั้งหลายได้รับความหล่มเย็นเป็นสุขนี่เพราะวัดว่าศาสนากันผู้ขาไปยุ่งของอื่นก็นคือถือถื่อปืนถือขามดแหละอันนี้มาอยู่นี่ได้รับความหล่มเย็นเป็นสุข มันมโหดหมดเนี่มันก็เลยลองเพ่งชาตดนะประเทศไทยลงนําเนื้อชาตดเชื้อไทยเป็นประชารชอมันลองเพ่งชาดกันลงไปพรเหตุไดเพรมันได้รับความสุขดเดชใช้ข้าววายอยูวัดว่าศาสนาเนี่มีความสงบท่ำเย็นเป็นสุขถ้าว่าอยููบางอื่นคือจะถือขาแล้วมันก็จิว่าท่านนั่นฟัมมนมโหดมองได้มันก็ห้องคู่เทอากันไป อ, อมันมาลองเพ่งชาติลวงพ่อวา่า แต่มันชีห้องจะได้กับบุูงจักมันละวะ่าแต่หลวงพ่อว่ามันห้องเพ่งชาติมันะะออไปเพราะมันมาอยู่เห็นวัดว่าศาสนาได้รับความลมเย็นเป็นทุกเดอเพราะพ่มียภัยเบียดเบียนมั่นนี่แหละอันนี้คือกันสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัดเห็นบ่ห้องอยู่สิชั้นนี่พวกลิ่งพกูกคางเป็นเสียแต่ตัวไหมันดื้อเอาก็จับไปปล่อยมืองื่นจับไปยอยไ่รู้ว่ากี่ครั้งแล้ว แต่ข้าวเนี่ยก็คืดจุกคืดกันนะคือว่าจิจับมันไปปล่อยอยู่พวกลิ่งมันหลายโพดปล่อยใสห่ห ล, ลวงพอนปล่อยวัดหลวงพ่อสดปล่อยวัดทันเรื่องปล่อยวัดทันซักแต่ผู้ก่อนเพลินบ่ อ, อแล้วมันหลายโพดนละผู้ก่อนติ้งผู้ก่อนก็ริ่งหลวงพอนะ่อขึ้นไปไปปล่อยไว้หันสมัยนั้นเกือบลอยตูนะเดี๋ยวนี้ขายายพันธุ์มากจากนั้นวัดสามสีวัดหลวงพ่อไปปล่อยให้มันอยู่ในเป็นหมูของเพลินกันลงไป นี่แหละตัวไดมันดื้อหลวงพ่อไปปล่อยให้กันเนาะบัว่าคนบัวสัดแหละสัดขึ้นกันแขันตัวใดดื้อกไปปล่อยค น, คนขึ้นกันน่ะขันผู้ใดดื้อห้เขาวัดพระอยู่ในวัดขึ้นกันองค์ใดบัเสือฟัง่งบัอยู่ในกฎระเบียบบยัอยู่ในลักธรรมวินัยหลวงพ่อไล่หนีอกจากวัดปรจักสักองค์คือกันเนาพราเหตุใดเพราะวา่าพระบัอยู่ในกรอบของลักศรรีลธรรมบัวอยู่ในลักพระธรรมวินัย เพรนั่นสิ่งใดก็าตามที่มันบอดีแอบพวกข้าวขควรจะกระจัดออกขึ้นกันนั่นเพราะนั้นพวกผู้ใดก็าตามก็จะมาสู้วัดว่าศาสนาเละต้องสำร่วมกายวาจ่าให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มิศินจึงเขาคอยเขาไม่สู้วัดว่าศาสนาคัานหา่ามันทำตัวว่าใดบอกควรจะมาเปื้อนมูควรจะออกทางควรจะหนีจากมู คู่บาอาจารย์ชัดท่ายาดโยมมันดึงจะถูกอมองนี้เป็นมองฝึกหัดดัดนิสัยเป็นผูเป็นสถานที่อบร่มบ่มนิสัยเป็นสถานที่สั่งสมบารมีเม็นมองสั่งสมบุญกุศลแ ม, ม่นมองสั่งสมบาปอมองเฮ็ดบาปออกไปทางนอกวัดโบอึศประยาที่ออกแบบไรก็ได้มองนี้เป็นมองเฮ็ดบุญ สั่งสมบุญเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นโยมที่ดีอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเด็กน้อยผู้ใหญ่ที่ดีอคอยมาอยู่จังสี่ขั้นว่าตัวเองเฮ็ดบ่ไรแตนะ่อยาเข่ามาไปเฮ็ดอยู่หมองอื่นพูดนะมองอื่นหมองเฮ็ดปุ อ, อืุยไปอยากมันโบแมนทีมาเฮ็ดความสัวอยู่ในี่มองเพิ่นเฮ็ดดีมันโบแมนแนว เ, เพราะนั่นนะลงพอจังเลยบอกเล่ยละ ปูดายบอดีบววพระบว า, า, บว า, ยบวาัยยมโมบววัยไพร่ตามนะ่ะเ <Yeah. S 1> บอดลิ่งหมดแลวนะลิ่งบอดีหลวงพ่อก็ยังจับยังที่วานเฮอบัววาซัด ต, ตัวใดละ่ะจังงูสิหลวงพ่อยังจับไปปล่อยนอกวัดนนะ่ะเหตุใดาะว่าอันตรายนี่แหละพวกเข้าคือกันค้นขึ้นกันหนละวงพอบอกเลยสิ่ง ท, ท, ที่มันบอดีจะลูบหน้าพะจมูกบัได ลูกหลานพวกได้ก็ตามที่มันบูดีคือมันบูดีที่ว่าหน่ที่ว่ามันดีใด้จังไดเพราะมันบูดีนี่นมันบูดีเฮ็ดจังใดก็ต้องให้ออกนอกวัดจะอยู่ในวัดใดจังไดเพราะมันบูดีเนี่ยนะันนขอให้พวกลูกหลานทุกขูทุกคนนะที่หลวงพ่อฟอรอ้ฟังนะ่งเนี่ยหงพอ่อบอกตามความเป็นจริงเอยเรื่องมันเป็นอย่างไเบอกจังสันงานแต่ละคือทำธรรมะคือทำคำสอนเนี่ย พูดตามความเป็นจริงถ้ามันบอจริงนะยะพูดถ้าพูดไปแล้วมันบอกเปนจริงเสียหายถ้าพูดพูดตามความเป็นจริงนะเนี่ยมันมีแต่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาแต่สิ่งใดที่พูดติบออกไปแล้วบ้นบอดีเสียหายเสียหายต่อวงการพระพุทธศาสนา ภาในสำรูปกายวาจา่าให้เรียบร้อยชื่อวัดนะศีลนะพนักคอยผูกคณะเจ้าทายาตโยมลูกลานทุกคนเนอะให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมบอกง่ายๆให้หูจักการสถานทีบุคคลอย่างวัดว่า ศ, าศาสนาเนี่ยเข้าขั้นเหติจังใดมาอยู่จังสี่อยู่ทางนอกเขาเหติจังไดอยู่ทางในวัดเทาเหติจังไดมันต้องหูจักสถานทีแห่งนี้เป็นสถานทีขั้นปฏิบัติตนจังไร การละเทสะบุคคลนะวันนั้นรักทําข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพูนสอนไปจังสันเลยเอาตอนนี้ไปรับพอนนะวันนี้นะวันนี้จะนี่มันห้องจะ น, นี่มันห้องรบขวนลงพอนะะพ่อว่าบไสะดวกเมือนเลยหลับฉีดหลับพอนในบานนี้นะอุทิศโสรณกุศลนะ